ระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13บพระสูตรที่49สุภสูตรสูตรว่าด้วยสุภาพมานพบุตรโตเทยพระรามพระผู้มีพระภาคประทับนเจตวนาวรามสมัยนั้นสุภาพมานพบุตรโตเทยพระรามมีธุระบางอย่างไปพักในกรุงสาวัตถีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับนเจตวนาวราม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 มีผลมากก็มีการงานในการบวชเป็นงานน้อยมีผลน้อยก็มีมีผลมากก็มีเปรียบเหมือนการทำนาและการข้านั้นแล้วมาโนบได้ทูลอีกถึงข้อที่พวกกรามบัญญัติธรรมะห้าอย่างเพื่อบำเพ็ญบุญเพื่อบรรลุกุศลเพื่อสัจจะเพื่อตบะหรือความเพียรพรหมจรรย์คือไม่เสพกราม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 คือกิเลสอันกั้นจิตยังติดกรรมคุณห้ามีรูปเสียงเป็นต้นแล้วส่งย้อนถามถึงคุณธรรมหประการที่พราามบัญญัตินั้นว่ามีในขรืหัสมากหรือมีในบรันรพชิตมากซึ่งมานพได้ยอมรับว่ามีในบันพชิตมากมีในขรืหัสน้อยสำหรับข้อนี้